ปัญหาที่เก้าถามเรื่องการได้นิพพานคาแต่พนาคเสนบุคคลทั้งหลายได้นิพพานเหมือนกันหมดหรือขอถวายพระพรไม่ได้นิพพานเหมือนกันหมดเหตุจไหนจึงไม่ได้ขอถวายพระพรผู้ใดปฏิบัติ ด, ดีรู้ยิ่งซึ่งทรรมที่ควรรู้รอบรู้ธรรมที่ควรรอบรู้ ละธรรมที่ควรละอบรมธรรมที่ควรอบรมกระทาให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรจะทำให้แจ้งผู้นั้นก็ได้นิพานถูกแล้วพระผู้เป็นเจ้าปัญหาที่สิบถามเรื่องรู้จักความสุขในนิพาน้าแต่พนาคเสนผู้ที่ยังไม่ได้นิพานรู้หรือไม่ว่านิพานเป็นสุข ขอถวายพระพรรู้คือผู้ยังไม่ได้นิพพานก็รู้ว่านิพพานเป็นสุขข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ยังไม่ได้นิพพานทําไมจึงรู้ว่านิพพานเป็นสุขขอถวายพระพรพวกใดไม่ถูกตัดมือตัดเท้าพวกนั้นรู้หรือไม่ว่าการตัดมือตัดเท้าเป็นทุกข์อ๋อรู้สิพระผู้เป็นเจ้า เหตุฉไหนจึงรู้ล่ะรู้ด้วยเขาได้ยินเสียงผู้ถูกตัดมือตัดเท้าร้องไห้ครวญครางข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาปิฏพวกที่ยังไม่ได้นิพพานก็รู้ได้ว่านิพพานเป็นสุขเพราะได้ยินเสียงพวกได้นิพพานถูกดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าจบวรรคที่สี่